คนฉลาดจะรู้จักควบคุมตัวเองและไม่ปล่อยไปตามความรู้สึกที่มากระทบแต่ป้องกันไว้ให้เหมือนกับป้องกันโจรไม่ให้หลุดจากการคุมขังซึ่งถ้าหากเขาปล่อยให้มันเป็นอิสระแล้วในไม่ช้าเขาเองจะต้องได้รับความพินาศจากอนุภาพอันชั่วร้ายของจิตนั่น หลวงพ่อเลี่ยมทิตะธรรมูวันเวลาเนี่ยล่วงเลยมาจนกระทั่งถึงวันนี้แล้วนี่ผมเองก็อยากจะเดาใจกับท่านผู้ฟังหลายหลายท่านนะเวลาถึงวันนี้แล้วนี่ ใจเราเนี่ยรออะไรอยู่กําลังคิดรออะไรอยู่อาจจะดาวถูกได้บางท่านก็รอวันปีใหม่ใช่ไหมหลายท่านเนี่ยมักจะรอวันปีใหม่เป็นอุปนิสัยของชนทั่วไปนะก็รอวันที่มีวันเฉลิมฉลองวันแห่งความสุขเทศกาลต่างๆเรามักจะรอขนาดนั้นพอถึงเทศกาลแล้ว ก็สุสนานกันไปแต่พอล่วงเลยเทศกาลไปแล้วเราก็รอเทศกาลใหม่อีกที่จริงแล้วเนี่ยปีใหม่มันไม่มีหรอกปีใหม่ปีเก่าเป็นเรื่องของสมมุติเรื่องความเปลี่ยนแปลงว่าวันนี้สงท้ายปีเก่านะพรุ่งนี้จะขึ้นปีใหม่แล้วเนี่ยวันสมมุติเอาแต่ถ้าเราใช้สมมุติในวันปีใหม่เป็นประโยชน์ซนะแทนที่จะมาสุขสนานเฮฮาสังสรรค์กันอย่างเดียว เราลองมาใช้วิธีคิดแบบใหม่ให้เป็นความคิดที่ถูกต้องสักหน่อยสนุกสนานอย่างเดียวเนี่ยมันเหมืนอนกับเราหลงอะ น, นะเราหลงข้ามปีเลยแต่ถ้าเรามีความคิดดีๆมีสติส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราก็จะมีสติข้ามปีมันต่างกันเลยนะหลงข้ามปีกับรู้สึกตัวข้ามปีเนี่ยข้า ม, มันต่างกันเลยเราก็มาอาศยช่วงงปีใหม่เนี่ยเปลี่ยนชีวิตใหม่ ของใหม่ๆเนี่ยถ้าเราทาให้ดีแล้วก็มันก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความดีการเปลี่ยนชีวิตใหม่เนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนทางด้านร่างกายร่างกายเนี่ยถึงแม้เราจะไม่เปลี่ยนเขาเขาก็เปลี่ยนอยู่แล้วก็มันแก่ลงไปทุกวินาทีมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆแต่เราจะเปลี่ยนคือเปลี่ยนทางด้านจิตใจเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเปลี่ยนความเห็นสใหม่เปลี่ยนความคิดใหม่เพื่อเป็นการพัฒนาตัวเราเริ่มขึ้นที่จิตใจเรา อย่างน้อยเราต้องรู้จักมีวิธีการคิดให้ถูกต้องนำพาชีวิตเราเนี่ยพ้นจากปัญหาได้สมมติว่ามีความทุกข์มาเยือนเราเรื่องความทุกข์นี่ทุกท่านหนีไม่พ้นจะเป็นทุกข์น้อยทุกข์มากต้องมีละถ้าความทุกข์มาเยือนชีวิตเราเนี่ยเราจะทำอย่างไรคนที่ขาดสติคนที่ไม่มีประสบการณ์เนี่ยก็มักจะเป็นทุกข์กับสิ่งที่มากระทบบนเพลิ่พันทาไมถึงต้องเป็นเราเนาะ เราไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยคนอื่นไม่เห็นไม่เป็นอย่างเราเนีเ่ยคิดแบบเนี่ยมันไม่ได้เป็นการคิดที่สร้างสรรค์เลยนะมันทาให้ชีวิตเราเนี่ยมันทุกข์หนักขวินอีกมัการซ้ําเติมตัวเองเราต้องฝึกคิดแบบใหม่คิดให้กําลังใจตัวเองเราย่อมคิดได้การคิดให้กําลังใจตัวเองเนี่ยทั้งเป็นการคิดที่แยบขายทาให้ชีวิตเราเนี่ยมันมีกําลังภายในอยู่ในใจเราอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรความทุกข์นี้ไม่เป็นไร เอาไม่เป็นไรไว้ก่อนเราได้กำลังใจแล้วเราจะไม่เป็นทุกอย่างเงี้ยตลอดไปหรอกเพราะความทุกนี่มันไม่เที่ยงแท้ถาวรความเที่ยงแท้ความมั่นคงเนี่ยมันไม่มีหรอกในโลกนี่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ไม่มีอะไรถาวร <_ d ata> สิ่งที่ถาวร <_ d ata> สิ่งที่เที่ยงแทน้นั้นคือความไม่เที่ยงเนั้นเองเดี๋ยวความทุกข์ก็เปลี่ยนไป <_ d ata> อาจจะไม่เปลี่ยนไปวันนี้ <_ d ata> วันต่อไปข้างหน้ามันก็เปลี่ยนไป <_ d ata> เรามีโอกาสออกจากความทุกได้ เรามีโอกาสที่จะสแสวงหาความสุขได้เราฝึกให้กําลังใจตัวเองให้ความหวังกับตัวเราเนี่ยไม่ต้องรอใครเลยบางทีเราอาจจะเกิดปัญญานะอาจจะคิดค้นหาเหตุผลหาสาเหตุของความทุกข์ทาไมเราจึงเป็นทุกข์เราอาจจะหาสาเหตุพบก็ได้อันนี้เป็นวิธีการคิดที่ทําให้เราออกจากความทุกข์แค่คิดในใจเราก็ดีแล้วเราอาจจะใช้ชีวิตแบบ ไม่ถูกต้องก็ได้เราจึงมีความทุกข์อาจจะพบสาเหตุอาจจะเกิดความอยากมากเกินไปหรือยึดมั่นถือมั่นอะไรสักอย่างหนึ่งมากเกินไปจนขัดกับกฎของธรรมชาติเราจึงเป็นทุกข์เรื่องการดาเนินชีวิตเนี่ยสำคัญนะถ้าดดำเนินชีวิตผิดพลาดแล้วก็จะเกิดขึ้นทันทีเล ย, ยเช่นว่าเราอาจจะใช้ชีวิตแบบขวางโลกไม่เป็นไปกับโลกคาว่าขวางเนี่ยนึกถึงน้าที่มันไหลบ่ามาจากทางเหนือ เราเอาเรือเข้าไปขวางในมีสิทธิ์ล่มได้ไปขวางกระแสของโลกโลกนี่มีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความเปลี่ยนแปลงเราไม่สามารถที่จะบังคับปัญชาให้ได้ย่างใจหวังได้ถ้าเราไปใช้ชีวิตแบบขวางสิ่งที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงแท้แน่นอนเราจะเป็นทุกข์นะเช่นว่าใครก็ตามที่เกิดความรักจใจความรักมันเที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยนี่เราขวางโลกเราจะบังคับควบคุมสิ่งนั้นสิ่งนี้ ให้ได้อยังใจเราเนี่ยอันนี้ก็คือขวางโลกทุกอย่างควบคุมไม่ได้บางครับบัญชาไม่ได้คนใกล้ตัวใจเขาได้ยังใจเราไปจัดสรร ค, คนนู้นจัดสรรคนนี้นให้ได้ยังใจเราเนี่ยอันนี้เราขวางโลกขวางให้เขาชนเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ให้เขาใจโลกไม่ขวางโลกแล้วก็ไม่ตามโลกด้วยตามโลกนี่ก็เป็นทุกข์นะเพราะโลกนี่มันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงมีแต่ความแตกทาลายถ้าเราตามโลกจนขาดสติ เราก็จะเป็นทุกคนที่ใช้ชีวิตแบบตามกระแสของโลกเสมอๆ อ, อะไรใหม่มาก็เอาอันนี้จะเป็นทุกในภายหลังหรือนนเราใช้ชีวิตแบบหนีโลกหนีโลกนี่ก็ไม่ปลอดภัยแล้วมุ่งหาแต่ความสงบไม่กล้าไปเจอหน้ากับโลกความจริงเราจะรู้สึกเป็นทุกข์มากเมื่อเราหนีไม่พ้นหนีไม่ได้เนี่ยอาจจะพิการอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บหนีไม่ได้เนี่ยจะเป็นทุกข์มาก เราจะหนีไปไหนความทุกข์อยู่ที่ใจเราเราต้องแก้ปัญหาที่ใจเราก่อนถ้าใจเราสงบแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนก็สงบแม้ว่าที่นั้นจะวุ่นวายถ้าใจเราไม่สงบไปอยู่ในที่ที่สงบใจเราก็ยังเป็นทุกข์อยู่พระมันสําคัญที่ใจเราจะหนีไปไหนพ้นพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่าทุกข์ในให้กําหนดรู้ทุกข์ไม่ได้มีไว้สนับหนีนะทุกข์มีไว้สนับรู้ ให้รู้ความจริงของความทุกข์เราก็จะหนีได้พ้นอันนี้สาคัญมากห น, ะนีโลกก็ไม่ได้ตามโลกก็ไม่ถูกความโลกก็ยังไม่ถูกต้องและเราจะอยู่ในโลกนี้แบบมีความสุขได้อย่างไรอยู่ได้ถ้าเราสามารถอยู่ในโลกนี้ด้วยการมีสติดูโลกตามความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เที่ยงอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไร บังคับบัญชาไม่ได้อย่างไรให้รู้ความจริงของโรคซะแล้วก็รู้จักยอมรับในสิ่งที่โรคต้องเป็นไปยอมรับแต่ไม่ใช่ยอมแพ้หรือยอมจำนนเราก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสติเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรคสมมุติตามหน้าที่อันนี้เราจะใช้ชีวิตแบบสบายนะทุกจะน้อยลงเพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตเนี่ยให้มีทุกน้อยที่สุดเนี่ย คือต้องฝึกที่จะดูโลกซะบ้างดูโลกด้วยสติแล้วก็รู้จักยอมรับและเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสติใจเราจะเบาเรารู้ทันโลกแล้วเนี่ยเราจะไม่แบกโลกให้หนักอึง้งจะมีชีวิตอยู่อย่างเบาสบายทุกจะน้อยลงอันนี้แหละเราอยู่ในโลกด้วยส ม, มาธิิเพราะนั้นเคล็ดลับของการจะใช้ชีวิตแบบมีความสุขเราต้องเข้าใจก่อนเลว่า ความสุขความทุกเนี่ยมันอยู่ที่ไหนให้เราเข้าใจว่าความสุขความทุกเนี่ยอยู่ที่ใจเราอยากจะมีความสุขต้องเข้าใจว่าความสุขเนอยู่ที่ใจเราจะมีความสุขแล้วก็เราเพียงแต่มีสติยิ้มสู้กับปัจจุบันเข้าไว้ใจเราก็จะเป็นสุขนะอันนี้คือเคล็ดลับไหนๆก็พูดถึงเรื่องปีใหม่แล้วเนี่ยเราจะไม่อวยพรให้แล้วก็มันจะเสียธรรมเนียม น, นะ เรากังว่าดูเ ร, เรื่องโลกสมมุติอาจจะอวยพรแต่วันนี้เมื่อถึงวันปีใหม่แล้วอาจจะไม่เจอกันก็ได้เพราะโลกมันไม่เที่ยงก็ขออวยพรให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยจงมีสติในการดูโลกแล้วก็รู้เท่าทันโลกตามที่เป็นจริงจนเกิดปัญญานำพาชีวิตออกจากความทุกข์แล้วก็มีความสุขตลอดไป